ท่านฟังที่เคารพคะท่านที่คอยฟังว่าเอ๊ะวันนี้ท่านเพบู่อุลจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยเรื่องอะไรอีกเพื่อจะได้พ่อคูลความรู้สั่งสมสุดตาเกี่ยวกับพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เวลาแล้วนะคะเรามานมัสการท่านเพบูลอุพร้อมๆกันค่ะนมัสการกันท่านคะใช่อจรย์พรานค่ะท่านคะเรื่องสัมมาวาจาเนี่ยค่ะอพูดถึงดิฉันต้องพูดทุกวันเลยนะคะต้องกราบเรียนท่านด้วยว่า คือยิ่งไปคุยกับใครต่อใครยิ่งจะเป็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่ mm hmm. ก็มักจะพูดในํานองเดียวกันหมดเลยว่าจริงๆนะโครงการเนี้ยจะทําประโยชน์ให้กับทุกๆคนแล้วก็สังคมได้เป็นอย่างยิ่งอืมจะมาไปบันทึกรายการที่ไหนอย่างที่สถานียูทูปพิศเศษเสียงประเทศไทยเนี่ยเราก็จะจะพูดถึงรายการนี้ทั้งภาพภาษาไทยทั้งภาพษาอังกฤษรายการหมายถึงโครงการนี้อนะโครงการสัมมาวาจาว่าให้ไปที่ บไทย .ORG แล้วก็ไปที่ Facebook <ะ>แล้วก็ให้ไป<ะ>ร่วมกันลงชื่อหรือว่าถ้าไม่สะดวกไม่อะไรเนี่ยก็ให้ไปตามบิ๊กซีใช่ไหมที่เขาจะมีเขเียนใบโพให้ไปติดหรือถ้าไม่สะดวกอะไรเลยนัดจิตของเราให้ตั้งไว้ในการที่จะมีสัมมาวจาระไม่ได่าใครไม่ว่าใครทําทยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะขอให้ตั้งใจที่จะทําไว้ก่อนให้ตั้งใจไว้ก่อนทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งคือ ใช่คะทีฉันต้องเรียนท่านเพรบูลนะคะว่าหลังจากที่ก็ได้ตั้งใจว่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามใช้ส ม, มาวาร์จามันก็สนุกนะคะกับการที่ได้พยายามมาท่านคะคือเหมือนสนุกกับการที่ได้รู้ว่าอ๋อขณะนี้พลาดไปแล้วนะตั้งใจทําใหม่เอ๊ะอย่างนี้มันมีแง่มุมที่เราควรจะปรับใหม่นะไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรที่ทําให้ผิดหลักอันนี้ได้ ก็ท้าทายนะคะท่านไม่ใช่ทําง่ายๆแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วมันก็ทําให้เราดูเหมือนว่ามีกิจกรรมที่สร้างสารรค์ประจําตัวแล้วทาให้เราลึกรู้ได้ในฝันอย่างที่กล่าบเรียนท่านนั่นแหละค่ ะ, ะว่าในฝันเนี่ยเหมือนกับกําลังหนาหมั่นไส้จังพูดไใ้นี่ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็กลับใจไม่พูดอันนี้เป็นการระ ง, งับยับยั้งใจในฝันอแต่มันมีอีกเรื่องนึงไม่สบายใจท่านคะที่อยากจะกราบเรียนถามท่านอันนี้เป็น กรณีที่คิดว่าก็คงมีใครบางท่านมีประสบการณ์คล้ายๆกันคือตั้งใจว่าจะรักษาศีลแต่เราก็ไม่ไหวต้องทำให้ชีวิตบางชีวิตตกล่วงผู้สองสัปดาก่อนขับรถก่ะท่านคะในหมู่บ้านนี่แหละในหมู่บ้านจะยังมีต้นไม้ต้นเมยเยอะนะคะก็จะมีนกเข้าใจว่าเป็นนกกระปูดคือตัวจะมีสีน้ำตาลเยอะๆหน่อยนะคะเห็นบ่อยแล้ว พอเราขับรถเข้าไปใกล้ๆที่ที่เขายืนอยู่ห่างกันสักสองเมตรเขาก็บินขึ้นเราก็เข้าใจว่าอบินขึ้นเนี่ยคือจะแตกคือแต่พอเรามองกระจกหลังนะคะเขาไม่ได้บินขึ้นไปถึงไหนเลยตกอยู่ที่นั่นตัวกันหนึ่งอะคะ่ะดิฉันก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะหรือรถเราไปชนเขาแล้วก็ไม่สบายใจอืมค่ะก็ต้องทําความเข้าใจให้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ว่าคือเราไม่ได้เจตนาในการที่จะทํานะ ถ้าไม่เจตนาเนี่ยความเป็นบาปเนี่ยมันก็ไม่มีถือว่าไม่ได้เป็นกรรม เ, าเราก็เราก็ไม่ได้เจตนาจะฆ่าเขาซึ่งตรงนี้ต้องทำความเข้าใจเรื่องศีลให้ให้ละเอียดนิดหนึง่งศีลเนี่ยเพราะว่าพระพุทธาบอกว่าเป็นความปกติความปกติของใครคุณเป็นคนแบบไหนคุณก็ต้องมีความเป็นปกติของคน ข, ของคุณน่ะถ้าคุณเป็นคารวะใช่ไหมคารวะเขามีปกติกันแบบนี้ถ้าเป็นสมณะนะเขาก็จะมีปกติกันอีกแบบหนึ่งความเป็นปกติของคารวะคืออะไร ความเป็นปกติของคารวาสเนี่ยนะเขาจะมีเจตนาตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าความเป็นปกติของคารวาสเนี่ยคือเจตนาที่จะไม่ลักทรัพย์ความเป็นปกติของคารวาสเนี่ยก็คือมีเจตนาที่จะไม่ไม่เปิดเผยปิดในกาบความเป็นปกติของคารวาสอีกอย่างหนึ่งก็มีเจตนาในการที่จะไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ความเป็นปกติตรงเนี้ถามว่า คนที่ยกตัวอย่างคนที่อยู่ในคุกนะคนที่เพิ่งติดคุกใหม่ๆด้วยการที่ไปฆ่าเค้าหรือว่าไปลักทรัพย์นะเพิ่งติดคุกใหม่ๆเลยยังไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยอะไรทั้งสิน้นเขายังมีเจตนาในการลักอยู่นะอย่างเช่นว่าอยู่ในห้องขังคนเดียวเนี่ยคุณโยมติวอยู่ในห้องของังคนเดียวนะไม่มีอะไรให้ขโมยนะแต่มีเจตนาในการที่จะขโมยถ้ามีใครเผลอนี่เอาจะหยิบเลยทันทีเนี่ย ถามว่าน no, okay. mm ักโทษคนนั้นท oh, okay. ี่อยู่ในห้องขังคนเดียวของยังไม่หาเลยนะก็ไม่มีศีลนะไม่มีศีลเพราะว่าเขามีเจตนาในการที่จะขโมยอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่มีโอกาสทาเท่านั้นเองนะก็ชื่อว่าเขาไม่มีศีลเพราะเขาาไม่ได้มีปกติในการที่จะไม่ขโมยแต่เขามีปกติในการที่จะตั้งใจซึ่งในการขโมยอยู่เป็นประจาเพราะฉนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นเรื่องของใจ ใครที่บอกว่าอยองค์ประกอบยังไม่ครบของยังไม่หายยังไม่มีทรัพย์เคลื่อนที่อันนี้เราต้องมาดูพุทธวจนะให้ละเอียดจะเรื่องกฎหมายค่ะเราต้องมาดูพุทธวจนะให้ละเอียดพระพุทธชาบอกว่าความเป็นปกติของคารวาสคือมีปกติตั้งใจที่จะไม่ลักขโมยตั้งใจนะเพราะฉะนั้นในใจของเราเนี่ยถ้าเรามีการตั้งใจนะว่าเราจะไม่ลักทรัพย์อยู่เป็นปกติ ของอาจจะหายบ้างหรือว่าอาจจะหยิบของใครมาไปที่ทนั่นที่นี่บ้างอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะขโมยก็ไม่มีปัญหาไ อ, อ้เรื่องอย่างคนในคุกของยังไม่หายแต่เขาไม่ค่อยได้ตั้งใจหรือตั้งใจเป็นปกติที่จะขโมยนะจิตเนี่ยจะขโมอยอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่มีศีลเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ว่ามีใครตา ย, ตายไหมไม่ได้อยู่ที่ว่ามีของหายหรือเปล่าในกอกเนาะ ค่ะงั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเจตนาก็เท่ากับว่าเรายังรักษาความเป็นปกติเอาไว้ได้ใช่คือเหมือนกับว่าเรามีเจตนาตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลแต่มันเกิดเหมือนกับกรณีตัวอย่างของดิฉันว่าไม่ได้เจตนาแต่ว่าขับรถชนนกตายอืมอืมก็อันนี้ก็ก็อย่างที่ว่านี่ยว่าอความความ ความมีศีลเนี่ยความเป็นปกติของเราอยู่ที่ใจศีลอยู่ที่ใจศีลที่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีของหายหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีคนคตายหรือไม่หรือมีสัสตว์ตายหรือไมอ่เท่านั้นเองก็คงทาให้มีกาลังใจในการรักษาศีลมากขึ้นพราวดูเหมือนกับก็ง่ายดีนะคะขอให้เราตั้งใจมากๆว่าเราจะเป็นผู้ที่รักษาศีลโดยเฉพาะศีล5้าที่ฉันเพิ่งอ่านหนังสือพิมพ์ค่ะบางเอิญน่าจะเป็นท่านสมเด็จวัดปากน้า ที่ท่านได้พูดถึงว่าศีลห้าเนี่ยทำให้เกิดความสันติสุขบนโลกนี้ได้แน่นอนเป็นอย่างนั้นอย่างไรครับท่านคะเพราะว่าเราเราดูพุทธวจนะเลยเพระเจ้าจักรพรรดิ ท, ที่ปกครองทั่วพื้นแผ่นดินที่มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตปกครองด้วยอะไรปกครองด้วยศีลห้าคุณยมติว ปกครองที่ศรนาเท่าทนั้นเองพระเจ้าสักรพัชรอง์นี้นะมีบุญบา ร, รมีมีอํานาจมากพลังของอํานาจของพระองค์เนี่ยแผ่ไปปกคลุมทั่วเขาเรียกว่าทั่วโลกเลยนะแล้วว่า<ะ>บอกเขาเรียกว่านโยบายในการปกครองประเทศนะให้กับภูมิภาคนั้นๆบอกว่าท่านทั้งหลายอยู่กันอย่างสงบอย่าฆ่ากันอย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามอย่ากล่าวเท็จแล้วก็อย่าดื่มสุราเมรัยนโยบายเป็นอย่างนี้ไป บริหารจัดการทุกคนมีความสุขเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นพระพุทธองค์ตรัสไว้ใช่อ๋อเหรอคะว่ามีนโยบายห้าข้อนี่เองใช่ในการปกครองบ้านเมืองของพระองค์ใช่แล้วก็ให้ทั้งสี่ทิศเหนือใต้ออกตกผู้ปกครองบริหารงานในแคว้นต่างๆให้ทำอย่างนี้มีนโยบายห้าอย่างพระองค์ก็มีความสุขดีเพราะฉะนั้นเราเราเมืองไทยอ่ะคุณยมติ๋ว เราไม่ต้องมีสิ่งก่อสร้างอะไรมากมายค่จะมีก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกคนมีศีห้านะโอ้ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอืค่ะก็เท่ากับว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นปัญหาบ้านเมืองแล้วมีความทุกข์เรามีสิทธิ์ที่จะรักษาสีอย่างนั้นหรือยังไงคะใช่เราต้องรักษาศีลอนะคะการรักษาศีลของเราอย่างไม่น่าเชื่อนะคะ จะช่วยทำให้เกิดความสงบสุขสันติมากขึ้นได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นการที่กล่าวขึ้นลอยๆแต่ว่าพระพุทธองค์นั้นเคยตรัสเล่าเอาไว้เป็นพุทธวจนะเลยนะคะว่ามีพระมหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมคะใช่ที่ได้ใช้นโยบายนี้ในการบริหารประเทศมาแล้วในอดีตไกลยาวพ้นไปข้างหลังโน้นท่านคะเหลือเวลาอีกสักพักน่ดิฉันอยากกลับเรียนถามท่านที่มีฝรั่งคนหนึ่งเน่เข้ามา ทำนายว่าโลกจะแตกแล้วพอถึงวันที่เขาทำนายไว้โลกมันไม่แตกแกมีการทำนายใหม่ด้วยนะคะว่า <c oughs> ไม่เป็นไรขออภัยครั้งนั้นทำนายผิดเอาเป็นว่าจะมาอีกแน่นอนในเดือนตุลาคมนี้ <c oughs> อะไรอย่างนี้คะ่ะ <c oughs> แล้วบางคนก็คล้อยตามเหมือนกันนะคะขนาดว่าครั้งแรกผิดพลาดขนาดนั้น <c oughs> ก็ยังไม่วายที่จะคอยว่า โลกมันจะแตกแล้วอะไรที่ยังไม่เคยได้ทําก็ทํำซะหรือว่าสารพัดที่จะคิดไปทําไปค่ะก็ชาวพุทธวางใจไม่ดีนะคะไม่แน่ไม่เหลือไปกลัวเขาด้วยสิคะคือเราต้องควรกลัวอยู่แล้วอะเราต้องกลัวเราต้องกลัวบาปเราต้องกลัวความที่ไม่ดีเราต้องกลัวอกุศสในจิตของเราอันนี้เราต้องกลัวนะถ้าฟังเห็นคนอื่นเขาทําไม่ดีแล้วเอเราคิดว่าเราจะทําไม่ดีเราต้องกลัวความไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในจิตของเรา เพราะฉั้นไอ้เรื่องของสิ่งภายนอกเนี่ยเรื่องของกายเนี่ยนะมันก็เป็นไปตามโลกอะ่ะคุณโยมติว๋วสมมติเราป่วยใช่ไหมกายเราก็ต้องมอบให้หมอดูแลถ้าเกิดภัยพิบัติเราก็ต้องมอบให้โลกเขาดูแลอย่างเงี้ยนะแต่จิตของเราเนี่ยไม่มีใครดูแลแทนเราได้ตอนที่คุณป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลจิตแพทย์มาคุยด้วยเขาก็คุยผ่านตาผ่านหูเท่านั้นเองเขาจะเข้าไปจับจิตของเราให้นอนอย่า ง, งนงั้นท่านนั้นท่านนี้ก็ทําไม่ได้มีแต่เราเองที่เราจะรักษาจิตของเราได้เมื่อถึงเวลานั้น เพราะฉะ้เมื่อมันจะถึงเวลาโลกแตกหรือเอาโลกจะแตกอเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะสมมติพวกนี้อ่ะแต่วันนี้นะถ้าเราไม่รักษาจิตของเราเนี่ยเราไม่มีความสุขแล้วเดี๋ยวนี้นะอแต่ถ้าเรารักษาจิตของเราได้มีสติระลึกถึงแต่สิ่งที่เป็นกุศลฉันสบายใจแล้วสบายใจนะวินาทีนี้เนี่ยดีมากๆอยู่แล้วออืมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าวันโลกแตกวันอะไรเนี่ยวันเนี้ยสําคัญกว่า วันนี้ในวินาทีเนี้เราทรําจิตของเราให้เป็นความสุขเนี่ยจะสาคัญกว่าไม่ว่าจะวันไหนมันก็วันนี้สําคัญที่สุดวันนี้สําคัญที่สุดคนจริงถ้าพูดวันนี้ในวันนี้มันตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงขณะที่กําลังสนทนาธรรมอยู่กับท่านอาจารย์อยู่ในขณะนี้มันก็ยังมีกรอบของวันนี้อยู่อีกตั้งหลายชั่วโมงบางคนเลยบอกว่าเอาเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมครับเอาเดี๋ยวนี้ใช่ต้องถ้าเปลี่ยนใช่ไหมคือหมายถึงว่าเปลี่ยนมาเป็นว่าแทนที่จะวันนี้ก็ใช้คําว่าเดี๋ยวนี้ใช่ วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยสำคัญที่สุดค่ะวิธีคิดแบบดิฉันนะคะอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าถูกต้องหรือไม่คือถ้าเพื่อนสนิทกันคนสนิทสนิทกันดิฉันที่พูดว่าเราก็ว่าทำบุญเยอะนะทำดีมากอมพอสมควรทีเดียวแล้วคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันนะที่จะไปสวรรค์แต่ว่าพี่เกียรตคอยก็คือ อยากขึ้นสวรรค์นาทีนี้ก็จะทำความรู้สึกให้เหมือนกับว่าทาทุกอย่างที่ดีที่มันเหมือนกับจิตใจเราสบายมไม่มีความเดือดร้อนอในเวลานี้ค่ะจะเข้าหลักธรรมะอะไรบ้างไหมคะสวรรค์อของดิฉันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรออนาคตข้างหน้าอย่างนี้ค่ะก็มีพุทธวระนาที่บอกว่าสวรรค์นี่ก็คือความสุขต่างตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ในสถานที่แบบไหนก็นแล้วแต่ที่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเนี่ยอันนั้นแหะคือสวรรค์เพราะฉะนั้นก็คือสถานที่ที่มีแต่ความสุขถ้าเราทำวินาทีนี้ของเราเนี่ยตาเราก็เป็นสุขหูจมูกลิ้นกายใจเราก็เป็นสุขอยู่ตลอดเนี่ยก็ถือว่าอยู่บนสวรรค์สวรรค์อย่างน้อยก็สวรรค์บนอวยาตนะสวรรค์จาลองจำลองบนโลกนี้ เอ <S <S เราจะยกตัวอย่างง่ายๆ <acceptable> อย่างเงี้ยคุณยมติว๋วอย่างเช่นบอกว่าจากที่เราจากบ้านไปถึงที่ทํางานอย่างเงี้ยสมมติว่าที่บ้านเราก็โอ้ยด่ากาันว่ากาันที่บ้านบัวเมียด่ากันลูกก็ไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีไม่มีความสุขเลยเออกจากบ้านมาออกจากบ้านมาจะไปที่ทํางานโอโ้โหหัวหน้าก็แย่ด่าเราลูกค้าก็เอาแต่ใจจะทำํำยังไงดีเไม่เป็นไรระหว่างทางไปจากบ้านไปที่ทํางานนะช่วงระหว่างขับรถไปเนี่ย เรามีความสุขอยู่อยู่คนเดียวนะแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็สํารวมเรื่องที่ผ่านมาเราก็ไม่คิดถึงใจเราก็มีความสุขกินข้าวมาก็อิ่มท้องพอสมควรไม่อิ่มเกินไปยังไม่ต้องถ่ายหนักแล้วก็ถ่ายเบาเรียบร้อยนะตาเราก็สุขหูจมูกลิ้นกายใจเราก็สุขระหว่างทางตรงนั้นคุณก็อยู่บนสวรรค์มีความสุขอยู่รถมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้า เ, เราก็ปล่อยว่าไม่เป็นไรช่างเขาเดี๋ยวก็เราก็ไปของเราเราก็ยังมีความสุขอยู่ได้เนี่ยอยู่บนสวรรค์ แค่นั้นน่ะอยู่ช่วงระหว่างจากบ้านไปที่ทำงานก็ดีแล้วคื อ, อวิธีการของดิฉันก็คือเวลาเจออะไรมากระทบแล้วไม่สบายใจเนี่ยจะกลับมาระลึกถึงลมหายใจเดียวนั้นก็รู้สึกสบายๆมันไม่ได้เป็นสวรรค์หรูหราอะไรนะคะแต่ว่ามันไม่ทุรนทุรายใช่สวรรค์คิดว่า ส, สวรรค์ที่หรูหราอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะอย่างสู้อย่างที่ใจสบายเนี่ยไม่ได้ค่ะก็หน้าที่จะ หน้าที่จะเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่วิธีนี้ไปยังท่านที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี่มันเต็มไปด้วยความเร่าร้อนความไม่สบายใจ mm hmm. ความไม่สบายหูสบายตาสบายกายนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองด้วยวิธีนี้ดิฉันเข้าใจว่ามันไม่มีใครนะคะที่จะมาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเราได้ในสิ่งที่บางครั้งเนี่ย อถ้าเราทําที่ตัวเราเองไม่ได้สร้างความรู้สึกของเราที่ถูกต้องไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้จริงๆใช่ที่อะติมาที่อะติมาพูดไว้ตะกี้เนี่ยที่บอกว่าความสุขที่แบบหรูหราอย่างบนสวรรค์เนี่ยก็สู้ความสุขทางใจไม่ได้เนี่ยเอาอยกตัว อ, อย่างอย่างอย่างบนโลกธรรมดาต่อให้คุณไปอยู่โรงแรมห้าดาวนะโรงแรมห้าดาวหรือหกดาวเจ็ดาวก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีความสุขทางใจเนี่ยนอนบนเตียงนุ่มๆ ม, ม, มันก็พลิกไปพลิกมานอนไม่หลับเพราะฉะนั้นจิตเราต้องสบายอย่างที่คุณโยมติว่าเนี่ยจึงจะถูกต้องนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาสั่งสมธรรมะของพระพุทธองค์ที่ท่านจามพบูนท่านมาร์กนำอาวบฝาในช่วงหลาของรายการสรนสนาสนทนานี้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของท่านให้มีความสุขปราวกับอยู่ในสวรรค์ทุกเวลานาทีก็แล้วกันนะคะวันนี้นมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งคะปป่ะใ่ะเริ่มตค่ะท่านฟังที่ครบค้าวเวลาเหลืออีกนิดนึงถ้าท่านจะ ไถ่าถามคำถามอะไรกับท่านไพยบูลนะคะก็ที่ w w w ร์ดไวท์เ m ็บเพียวธรหรือว่าจะส่งมาที่นี่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะศูนย์หท่านที่มีความต้องการหนังสือเราแจกประละสามเล่มอพินันธนาการจากท่าจันทร์คือคลิปโซธิพโลวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิบค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีซีดีให้กับท่านที่มีความประสงค์ เป็นการบันทึกเสียงของท่านอาจารย์ไพบูลนะคะในการที่บรรยายทมก็จะมีให้เวลาห้าแผ่นนะคะโดยโยมที่ชื่อว่าคุณมดค่ะวันนี้ดิฉันก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพุทธสวัสดีค่ะ